นั่งเล่นๆกันเนาะใครมีรรท่าเราจะไปทำกระทําข้างนอกทำตัวในการฝึกถ้าเราของไม่ฝึกของหยาบๆของละเอียดจะไปบางในยทีจะเข้าใจกันได้ของละเอียดก็เริ่มจะของหยาบๆนี่นก็นึกถึงชัางไม้นไกระดาษทรายก็จะมีลายเบอร์ะทำของหยาบๆ เขาก็เอาเบออหยาบยาบเนี่ยขัดไม้จนสุดท้ายเอาเบอือละเอียดที่สุดมาขัดมาถูถมาดึงเกลี่ยงมันมีรอยมีตำงนีนยมนุษย์คนเราก็เหมือนกันเริ่มต้นจากคองยาบหยาบไปถึงของละเอียดดนั้นผู้แสดงความเคารพธรรมะคารวะตาความเคารพในธรรม คือเกี่ยวกับคนพูดมันเกี่ยวกับทำทำก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่บูชาฝากผู้รอไว้คือทำกับวีไนถ้าเราไม่เคารพสิ่งที่บูชาฝากาไว้ก็คือไม่คเคารพปุตตะนั่นแหละความสําคัญสองคือวีไยก็คือศีลวันไหนก็ตามถ้าเราเศีลเรารขัดตกบกพร่อง ไม่ว่าฝ่าย ไ, ไนก็ตามควาสมบูรณ์มันก็ไม่มีคมวามสงบเรื่องเความเป็นมนุษย์มันไม่มีเป็นได้แค่คนบ้างหรือเป็นคนไม่ได้เลยก็มีถ้าไม่มีสิทธิ์ก็มีความสำคัญดังนั้นอยให้พวกเราเริ่มต้นด้วยตนเองเราจะเห็นว่าเริ่ม เนการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนก็จะให้ศีลทั้งปีทั้งชาติพอเราพระก็ให้ก็พระก็พนมมือแต่ตั้งแต่นมูพุทธทางธํรมสังฆังตึงปาณาแล้วก็ภาณาอนิสง์บอกถ้าใครักษาศีลอนิสงก็จะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสามสี่สวรรคสมบัติมนุสสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติทั้งกับภาณาจึงโอโหตั้งแต่โลกมนุษย์ถึงสนพาน อันนี้คือเป็นภาษาเราแต่เราไม่เข้าใจพราะนั้นทักอยากให้พวกเราเริ่มต้นโดยตนเองไหว้พระเรายัางไหว้ได้ศีทลทำไมเราจะขอตัวเองไม่ได้พราเป็นเรื่องของเราเราต้องขอเองได้แต่ที่อีกทางหนงอยากให้พวกเราขอแต่เราลงมือทําในขณะที่พระหรืออาจารย์ท่านจัดกับข้าวกับปลาจะแบบมันจะได้เร็วขึ้นพราเราเสียเวลาไปกับพวกนี้มานานแล้วตัวทีเราก็ไม่รู้ กายเป็นพฤติกรรมจนกายเป็นพฤิเกินเป็นเหมือนขาดไม่ได้จริงๆแล้วสินถึงแม้จะขอไม่ขอกระามถึงแม้ตอนนี้เพิ่งคนขึ้นเข้ามาใหม่ไม่ได้ขอสินตอนนี้กายมันสงบวิญามันสงบมันเป็นสินทันทีในท่าปฏิบัตินั่นเป็นเรื่องของปริยตัติในความรูที่เราไม่เข้าใจาราปริยัติเลยเอาปริยัติปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ถ้าเราพอใจตรงกันแบบนี้แล้วมันมันง่ายต่อไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็เป็นสินถ้าเราสมบูรกายสมบาาูวาจาเป็นสินทันทีเราจะได้คืนได้ ข, ของอ่อกนี่คือสินะส่วนพระที่หาไปนะั้เป็นสิขาบทซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เราไม่รู้เพราะ้นสิ่งที่เรารู้มันได้รู้ว่าเป็นพันปีมาแล้วได้เพิ่มสินที่เรา ปฏิบัติหรือว่ายึดถือปฏิบัตินี่มาบางก็เป็นสองพันกว่าปีมาแล้วเราก็เรียนแบบมาถึงเฉพาะสิ่แเราเรียนแบบของชาวกุรุกุรุก็คือแควนหนึ่งในสบกแควนในสมัยนั้นในสมัยพูเจ้ามีส6บกแควนเขาเรียกว่าแควนอาจจะเป็นรัฐเป็นจังหวัดเป็นเนขตก็ได้แต่มีสิบหกคุรุก็หนึ่งในนั้น แต่ว่าจุดเด่นของกุรุก็คือรัฐนี้คือเมืองนี้แปลนนี้เขาถือศีลห้าเป็นหลักทุกคนเพราะนั้นบ้านอื่นเมืองอื่นแฟนอื่นที่จะมาโจมตีหรยยุยงยุยงยืนยันยากคอสูงต่ร่วมเย็นก็เกิดขึ้นเพราะฉนั้นศีลห้าเนะี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุรุธรรมธรรมของชาวกุรุในสมัยนั้น แต่ว่าสุดท้ายก็เสียพวปะบ้านอื่นมืงอ่นสงส่งธูดมาปั่นป่วนมาออยุยงนะความเห็นไม่ตรองกันทะเลาะเบาแวงหรือการแตกแยกเพื่อความปราบกออยู่เขาดีๆสินหะก็อออพอปราบก็มาเกี่ยวข้องไปละอันนี้คือความสำคัญเพราะนั้นสินเนี้พวกเราทุกอย่างให้เราพูดเอง ไม่แต่ว่าพระเลยยังว่าเองได้ไม่ก็ต้องให้พระนำไหว้พระอาจจะเดียวไห่้พระอรหันตมาสวัสดิตวสุภิพุนรอั น, นเดียวกันงก็ทําได้อาจจะลดขั้นตอนอะไรอีกเยอะเราจะเข้าใจอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คือสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราขาดแบบว่าสิ่งที่เราจะต้องทําให้มันมีเพราะว่าเราไม่มีมันไม่มีก็ทําให้มีจะเรียกว่าขาด เพื่อที่มีอยู่แล้วก็ทําให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นใหามันเยอะกว่าเกา่า เ, เรียวกว่าปารามีแต่ว่าทาให้มันเต็มทําให้มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาถึงถึงวันพระในปีนี้ถือว่าวัดปีปวารนี่ป็พระสุดท้ายละต่อไปก็เป็นพระปีหน้าเรวมเป็นขพระใหม่ ปีนึมีเลาคสี่สกวาวันเองที่เราได้เ ข, ข้าวัาฟังธรรมจำทิศภาวนาหรือสามกว่าวัดสมรกว่าวันเราีะเกิดอะไรขึ้นมันไม่สมดุลหมายถึงความดีที่เรามีอยู่ไม่สมดุลกันในมนุษย์เราถ้าไม่ทำความดีมันก็ทำความไม่ดีแค่นั้นเอ ง, เอง มันไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นเดยเว้นที่การปฏิบัติที่จะทาเป็นกลางได้นั่นคือสมาธิจิตที่เราหนึ่จิตที่เป็นสมาธิขณะสมาธิมันยังอยู่แต่ว่าในขณะนั้นการที่เป็นสมาธินั้นมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับภายนอ ก, กเรื่องภายนอกภายนอกมายถึงนอกตัวเลยไม่เกี่ยวกับตัวเราเองเซึ่งปัจจุบันเราวู่นวากับานอก ทุกวันในแต่และ ว, วันเราสังเกตดูความรุ่ไปเยิ่งของรุ่งปัจจัยภายนอกมากเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของพวกเราที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับตัวเราเพอลืมตาปุ๊บมันไม่เห็นตัวเองแล้วตอนที่บอกให้รับตาประโยชน์ของการลับตาถ้าลืมตาปุ๊บมันไม่เห็นตัวเองทันทีมันจะเห็นข้างนอก นั่นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยข้างนอกนั้นถ้าเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญามันก็ได้แต่สัญญาคือความจําได้หมายรู้เราจามากี่ข้างเคียหนที่เรื่องที่เราร้อยล้านพันเรื่องแล้วแต่สิ่งที่เราจำสิ่งที่เรามันช่วยอะไรเราได้มั้งไปเห็นคนนั้นคนนี้คนนู้ น, น ون, เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น ون. ซึ่งทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะไม่โอปานายิกโป ไม่ได้น้อมราตัวเองเป็นเรื่องคนอื่นทั้งนั้นแล้วอะไรจะเป็นเรื่องเพราะทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยเราคิดไม้เป็นนะอันนีค้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือให้เข้ามาหน่อยคือตัวเองคือในตัวเราเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปคิดว่าเราทุกเรดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะเอาคนอื่นนะให้ชิดหม่ เราด ร, ร้อนเราสบายก็พาะตัวเรานะเราคือกายกายเราปกติสบายอันนี้เรื่องที่งเรื่องที่สามก็คือเรื่องใหญ่ซึ่งพวเราออกกลายเป็นเ่งเล็กไม่เอาใจใส่มันคือใจจะเห็นว่าขั้นตอนก็คือเรื่องจากนอกสุดไกลสุดตั้งแต่ครอบจากกวานออมาเนี่ย จะมาใกล้ตัวเคือตัวเราค็อร่างกายอันที่สามคือในสดุดลึกที่สดุดคือใจนี่แหละจึ่งเรามไม่เห็นตัวได้ตัวสําคัญที่สดุดในขนาเดียวกันเราให้ความสําคัญน้อยน้อยมากๆตัวใหญ่ก็ให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกคือข้างนอก แล้วก็ให้การร่างกายตัวที่สองเชนการอยู่การกินปัจจัยสีที่พักอาศัยนั้นเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นที่เราคิดออเราเพึ่งได้พึ่งพาได้ปลาอาหารนี่นก็เหมือนกันเป็ น, นเรื่องของกายนไม่เกี่ยวกับใจแล้วก็ไปให้ความสําคัญกับฟองนี้จนมากเกินไปใ น, นที่ประจัมันส่วนอีกเรื่องตัวนึงคือใจ แทบไม่ดูมันเลยอม่ได้ดูแลเล ย, เลยใจมันก็เหมือนกับเด็กเด็กนะถ้าปล่อยเป็นธรรมชาติเขาสมมติว่าเด็กเกิดมาสักคนหนึ่งแล้วปล่อยเป็นธรรมชาติให้อยู่เหมือนมู่หมากาไกา่ลองดูไม่ต้องเรียนหนะังสือไม่ต้องทำอะไรพวกเราลองนึกภาพดวูว่ามัจะเกิดอะไรขึ้นเป็นหนังสือก็อ่านไม่ออกเพราะไม่ได้เรียน มันจะไม่เข้าใจและอื่นที่ตามมาไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับช้างม้าโบควายมูม้ากล้าไปศีลไม่ต้องมีทําไม่ต้องมีมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มไมมมเข้าใจเห็แนแล้วคนที่ไปฝึกเรามาดูว่าเหมือนกับเด็กจรินแต่สําหรับคนที่ฝึกแล้วก็เหมือนกับใจเลยก็คือเด็กแล้วคนไปฝึกสติก็คือพ่อแม่ เด็กที่ไม่มีพ่อแม่เปิดเลยนั่นคือคนที่ไม่มีสติสติคือพ่อแม่แตคือใจนึ่ก็คือเด็กพ่อแม่ต้องคอยอบรมสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องของอบรมจิตใจของตัวเองพ่าธรรมะจะเป็นต้องพ่อเป็นงแม่หรือบอกหรือเปียกเที่ยะฟังสั่งอะไนั่นคือเป็นต้นแบบเป็นพ่อเป็นแม่ ที่จะอบรมจริตใจของพวกเรามันเกี่ยวกับความแม่พ่อบาอาจารย์เกี่ยอบรมถ้าจิตไม่รับกรารอบรมก็จะเป็นอย่า <c> ง <oughs> นี้ประธานจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็คอยดูแลเด็กไม่ให้มันเกิดอันตรายตั้งแต่เป็นตให้ทุกอย่างจึงบอกไม่ดรองที่บอกไม่เคยให้อะไรใครเลยแม่ไม่ใช่พเพราะที่พี่พ่อพีแม่พี่พี่น้อง ให้ปัจจุบั น, นก็ยังอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นผู้ให้อยู่แต่ว่าการให้นั้นเป็นเรื่องของการจำกัดให้โดยธรรมชาติให้โดยความรับผิดชอบแต่ว่าให้โดยความบริสุทธิ์ใจจริงใจให้โดยไม่ต้องการผลตอบแทนใดเลยคือท่านที่เราทําทํากันอยู่นี่ยป็นการเฉยสละป็นการสุเพาะอนุเพาะ์ซึ่งกันและกันแต่ทานมันก็เป็นเรื่องอย่างมือยกัมันไม่ใช่เรื่องละเอียดอใดใด แต่อย่างมากก็คือต้องการให้เราเป็นคนเอ็นอกเห็นใจคนอื่นการป า, านแต่ตัวสําคัญที่น่าจะเป็นเริ่มต้นของพวกเราก็คือสินซึ่งทำ ม, มาทางการลงทุนทานยัองมีการลงทุนอย่างประกาศรวมบุญรวมนานโดมนี้เป็นสินีด้ไม่ต้องเลยคือสงบ ป, ปากสงบคำมันก็เป็นศิลแล้ว คือส ก, กายราชาเนเป็นเป็นสัมปินทันทีนี่แต่อันที่สองก็เยอะกว่าเยอะกว่าทันมากเทียบมันไม่ได้สินสมัสติเช่นเดียวกันอันที่สองมากกว่าสิน <c oughs> ปัญญานเนี่ยตือเป็นยอดเพราะฉะนั้นสามตัวเนี่ยคือตัวที่เราจะต้องทำให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นาภาษาบาดีเราทำให้เจริญ วันวนหนึ่งมันเจริญร้างแต่มันไม่เจริญเลยปุจจะสอนอยู่สี่เรื่องแค่นี้แหละปุจจเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องเราจะต้องรู้ก็คือทุกรื่องพอทุกข์ก็คือจะต้องทํำไงที่จะต้องรู้แปลว่าอะไรจะต้องรู้ต้นตอของเขาเพรทุกข์มเป็นผลมันไม่ใช่เหตุจะรู้ว่าทุกข์นี้มาจากไหน ทำไมถึงทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์ได้ยังไงแต่มันเป็นทุกข์ทุกข์ยังไงเจ็บมันเป็นทุกข์ทุกข์ยังตายมันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรจึงต่อว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดรู้แต่ผู้เราอยากมันมีคืออยากละไม่อยากให้มันมีทุกข์คืออยากละซึ่งเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราไม่ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนยาน ก็ไปทำอีกอย่างไปคิดอีกอย่างมันละไม่ได้ทุกกันนี้มันละไม่ได้เพราะมันเป็นผลมันไม่ใช่เหตุหน้าที่ของเราคือกำหนดรู้กาหนดรู้อะไรกาหนดรู้รูปรู้น้ำคำว่ากำหนดรู้ให้รู้จักรูปรู้จัดน้ำนะตอนไหนนี่คำว่าทุกนั้นอยาไปละมันละไม่ได้ต้งคิดใหม่ อันนี้ข้อหนึ่งข้อสองก็คื อ, อ น, นี่อยากจะละทริงๆนะท่านบอกให้ละละทีนี้ข้อสองต้องละละมากลดเลิกแล้วก็ละขาดไปเลยก็คือความอยากที่มีอยู่คือโลภะโทสะโมหะอันเนี้ยอันนี้จะต้องละละจะทาไปทำให้มันดีนี่เป็นอาที่ของเราอันตัวนี้จะต้องละแต่เราอยากจะละทุกความผิดตัว อันปิดที่ปิดทางในตัวที่สองคือเรื่องที่สองที่เรจาจะสอนเรียกว่าความจริงความจรงิจรงโดยสองตัวที่สามคือทําความจริงให้ปรากฏคนงานต้องให้รู้รู้จริงจริรู้จรงิจรงจังไม่ใช่รู้รงงงวาป่าจะเร็วรู้แจ้ ง, ง, ง, งจเห็นจรงิงตามความเป็นจรงิงรู้อะไร รู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่เรียกว่าดับในเบื้องตน้นตัวนี้เป็นตัวที่สามคือเราจะต้องทําให้มันพูดง่ายเห็นจริงเห็นจังให้รู้เรื่องเป็นเรื่องเว็เาวอันเป็นไงมาอย่างไงมันจะิงเกิดความสว่างขึ้นในใจคือเรียกว่าทําให้แจ้งซึ่งปัจจุบันมันมือ มันมืดมันบอดมืดคือมองไม่เห็นอก็คือตาบอดแต่ตอนนี้มันใจนบอดมันไม่มองไม่เห็นเสียงเหล่านี้คือไม่เห็นเสียงสะวะ่างอันนี้อข้อที่สาข้อที่สีน่นี่ต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเจริญคือพัฒนาทำไม่มีการพัฒนาก็คือการเจริญกายก็ไม่เจริญวายาจใจก็ไม่เจริญใจก็ไม่เจริญอย่างนี้ก็เรียกว่าหนทาง ยังเรียกว่ามัดเกี่หนทางวิธีการทําให้เราเจริญได้ก็คือสินสมาธิปัญญาเนี่ยนี่แหละที่เจริญได้นะั่นข้อแรกเป็นเรื่องจิตใจต้องให้กํำลังรูร้เนี่ยมันเป็นผลผลก็แปลว่ามันต้องมีเหตุที่มีผลได้เหมือนต้นไม้ต้นไม้มันจะมีผลออกมาได้มันก็ต้องมีเหตุ หือกินการตาการากลําต้นจะส่งดอกที่เราออกผลนั่คือผลของมันเกิดขึ้นมาคือต้นเหมือนกันข้อแรกที่เราจะตั้งตังห์โดยจะกมันเป็นผลตัวเป็นเหตุคือตั้งหานะที่เราจะต้องละนั่นแหละคือตั้งมาทำให้มันมีเหมือนต้นไม้เหมือนต้นรากต้นโกนผลมันก็จะมาจากไหนมันมีต้นผลจะมาจากไหนมันก็ไปเกิด ตอนนั้นคือเหตุผลด้วยเหตุเหตุตัวนี้ดีแล้วคือตัญหาถ้าเราละตัญหานี้ได้นี่รถทะมีประดับแต่มันดับชั่วคราวไม่ได้ดับทั้งหมดอย่างมันจะเรียกวันเดียพานเดีพานต้องดับไม่เหลืออะไรเลยอันนี้มันดับชั่วคราวาคืออย่างนั้ก็รู้จักบ้างเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการดับชั่วคาวการเห็นชั่วคราวเห็นการดับชั่วคราว ก็เห็นการเสื่อมสิ้นสลายของบันนี่แหละเห็นว่าอันนี้คือดินอันนี้คือน้ําอันนี้คือไฟอันนี้คือลมตอนนี้เราเห็นหรือยังยืนเดินนั่ง น, นันเดินเหว่ไปมาเนะี่ยรู้ว่ามันเป็นดินรู้เป็นน้ํารู้เป็นไฟรู้เป็นลมยังนั่นคือเรื่องตายเรารู้หรือยังว่าดินดน้ําไฟลมมันทําสร้างความลำบากเรื่องร้อนอากาศตัว เ, เองไม่รู้รู้ได้อยังว่าดินดน้ําไฟลมมันจะเย็นได้ยังไง คือมันดับคือนิร้นนั่นแหละมันจะดับได้ยังไงน้ําร้อนๆทำไงเพื่อให้มันเย็นได้แล้วทําไมมันถึงร้อนน้ําเย็นดีๆมันเป็นร้อนได้ยังไงมันก็ติดกลางที่หลวงพ่อนะมันเป็นน้ําเย็นอยู่ดีๆไปเสียบวกาไฟเอาไฟเข้าไปน้ําเย็นก็กลายเป็นน้ําร้อนเป็นไหมใจเราเย็นเย็นอยู่ดีๆ เอาอะไรเข้ามาเสียก็เอามาหาในตัวร่างกายเขาไม่ร้อนใจมันอยู่ดีๆใจมันก็รอ้อนขึ้นมาใจมันก็เดือดขึ้นมาเดือดรอนทําไมที่ไม่เดือดไม่ร้อนก็ถอดปลั๊กไปก็จาเอาเข้ามาจะเอากองข้างนอกเข้ามามันก็เย็นแล้วมันก็เย็นลงเย็นลงนะคือใจาใจมันร้อนระ่บางกรั้งเพราะเหตุปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคืออะไร ป, ปัจจภายในคืออะไรมันคือตาหูจมูกเลี้ยงใรูปเสียงจิตและโผจะพระเนี่ยมันเจอกันมันพบกันเราเรียกอภัสราจิตใจรูปตามเจอกับรูปอันนั้นเป็นหน้าที่ของมันนะไปท้อตาไม่ได้ไปทอดรูปไม่ได้เพราะมีเข้าอยู่อย่างนั้นแต่ต้องโทดที่ใจพทษใจเราใจาเราไม่มีสติใจเราไม่มีพ่อแม่ใจเราไม่มีครูบาอาจารย์ มันถึงได้เป็นอย่างนั้นไอ้ครว่าสอนให้รู้ อ, อตาไม่เห็นรูปเห็นแล้วเป็นยังไงโอมันรับเสียงเข้ามาเป็นยังไงนั่นคือหนะ้าที่ของใจแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกมันอย่างีมาได้ในสิ่งเหล่านี้ก็คือไม่มีการเรียนรู้นัะอันนี้คือความสำคัญอันนี้ยกตัวอย่างแล้วเล็กน้อ ย, อยว่าชีวิตประจํำวันของพวกเราถ้า เรายัางคิดพวกเหล่านี้ยังไม่ได้คิดก็คือ น, นึกขึ้นมาอย่างไม่ได้นั่นคือสติหาเรานึกขึ้นไม่ได้ก็เราก็ไม่คืสติาขาดสติสติเรายัางมีน้อยก็แปลว่าต้องทําข้อสีคือคือมักตัวเนี้ให้มันมากขึ้นในแต่ละวันให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมคมันหนึ่งว่าคาดไม่ได้เหมือนข้าลาอาหารถ้าเรา วันไหนจะขายข้าปลาอาหารไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้คือร่างกายมันจะอยู่ไม่ได้ใจก็เหมือนกันวันไหนที่คิดอะไรไม่ได้เลยมึกอะไรไม่ได้เลยคือไม่มีธรรมะมันก็อยู่ไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้ถ้าจะคิดอยู่ได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ยมันมันเย็นนะเย็นก็คือดับก็คือนิโรดนี่แหละเย็นชั่คราก็อย่างดีนะแต่ถ้าไม่เย็นเลยมันวดลำบาเพราะฉะนั้น ปีปีหอย่างเขาทําให้เราดูพวกอย่างตอนนี้เย็นนะต่อไปร้อนนะต่อไปฝนนะเห็นไหมดูดูบนเพียงเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนเพื่ อ, อมาสอนเรามาสอนให้เรารู้จักร่างกายมาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงอยู่นี่ตลอดเวลานะดูดูดินฟ้าอากาศไปเช่นเดีวยวกันจิตใจเรายิ่งหนักเข้าไปอีก มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดล็เร็วมากแต่เราไม่เห็นไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเจริญูุจจาบอกอ่ะที่เราไม่เห็นก็นเพราะเราไม่เคยทําั่นสียงนั้ไหมรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ให้เข้าอยู่ความจริงอย่า ง, ง, งนัน้นะดินเ ป, ป, ป, ป, ป็นดินน้าเป็นน้าไฟเป็นไฟลมเป็นลมตัวเมื่อกอะไรกับเราเราคือใจปัจจัยตัวนั้นมันไปต่อดินน้าไฟลมพูด่างไงรถไฟใครเจ็บอะไรก็แล้วแต่ ไม่นักษาหายก็ดีไม่หายก็ดีที่เรียกว่าตายตายแล้วเขาก็ไปผอมก็ไปฟังอยู่ดีแต่ตัวที่มันผอมไม่ได้ฟังไม่ได้คือใจคือจิตมันจะต้องไปต่อในเรื่องใหญ่เลยเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่โอปรติโกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเกิดฝีตายฟฝีเกิดปล่าตายเปล่าไม่ไดอะไรเิ็ไม้เป็นมือสักแะไรไม่ได้ยัง ไอ้ที่สันขนาดทุนเรามาลงทุนแท้ๆแต่ไม่ได้อะไรเลยขาดทุนยับเยินขาดทุนเกิดต่อไปจิตออกจากร่างแล้วกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมยังไม่ได้ น, ะนี่คือขาดทุนเป็นคนไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็เป็นที่เขาไม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะนะั่นแหละไม่รู้จกักศีลไม่รู้จกนะนะักธรรมนั้นน่ะก็เป็นโป น, นั้นในกระดาษเท่เกิดมาเป็นคนอาจจะมี พบบ้างไหมพบบ้างก็ให้โอกาสกลับมาเป็นคนแต่ก็เปล่าเป็นได้แต่ร่างกายจิตใจเป็นคนไม่ได้โหดเยี่ยมข่ากันได้เป็นรายวันดทุกวันก็เพราะอย่างนี้เพราะเป็นได้แค่ร่างกายเจ็จิตใจมันมันเป็นไม่ได้เป็นได้แค่ร่างกายเพรามไม่ฝึกไม่หดัดเป็นไหมเนี่ยทุกคนแตกต่างในความอันนี้คือหยา บ, ยบ มาดาก็ไปเป็นกลางกลางแล้วก็ละเอียดที่สุดคือจิตนี่แหละละเอียดตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสามเรื่องหรือป่าพวกเราเอาไว้ว่าชีวิตของพวกเราที่อยู่โลกแบบนี้มันไม่ได้มีเวลาเยอะไม่มีเวลาเยอะอย่างพวกเราคิดเพราะนั้นเราจะมีโอกาสมีเวลาทุกครั้ง ทุกวันทุกวเวลาที่เรามาีโอกาสอย่าลืมนึกถึงความดีทําความดีวันนี้ทำความดีหรือยังทำความดีอะไรวันนี้คะไทยเรานึรอยู่นี้เป็นประจเนิร์เป็นอนุสติถ้า่านนึกอะไรไม่ออกเลยนะโอ้เป็นโมฆะนะคือมันเปล่าคือไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เสียไว้ไปเสียไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็คือหมดไปหมดอายุที่เรา อายุที่เราอายุที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปแล้วคือมันหมดไปแนละ้วแต่ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ลอง น, นีกดูว่าเออสิที่เราคิดว่าอายุเออห้าสิบหกสิบดสิบปดิบปีที่ผ่านมามาวัดดูระหว่างโลกกับธรรมเอาอยู่กับอะไรมากกว่ากันถ้าอยู่กับแบบโลกโลกเรียนจบทำ ง, งานเกษียณ กดระวงังหมดวะลววะก็หมดะละเพ่งฟังละเลยขอกึ้นไปคหมดอันนี้คือสภาวะคือที่มันเป็นอยู่เราก็หมดไปหมดไปหมดไปสิ่งที่เองว่าจะได้ได้ได้นั่นได้นี่ได้นู่นสุดท้ายคือไม่ได้เลยก็เอาไปฝังเอาไปเผาก็หมดแต่ตัวที่มันไปต่อมันมีอะไรติดไม้ติดมือไปอันตรายอย่าลืมว่า จิตของเราต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตในวัตฏสงสารอันนี้มาเยือนนานนานโลกนี่มันเป็นเป็นเป็นพันล้านปีมาแล้วที่ปรากฏมาเป็นโลกโดยเพาะนศาสนาของเราทตั้งแต่พุทธมาก็สองพันกว่าปียังไม่เท่าไหร่เลยเทียกับกานอวัตารขึของโลกเป็นเป็นพันล้านปีแค่สองพันปีมันยัเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้อนาคตอีก จากนี้ไปเออเป็นต้นไปไม่ต้อง อ, อะไรมากเอาแค่ที่พึ่งหลักๆที่เราเห็นเห็นอยู่พราะแม่ครูาอาจารย์คิดว่าในอนาคตอาจจะเหมือนห้าสิที่ผ่านมาไหมยุคยุคลวปู่ใหญ่ยุคครูาเจ้าศรีวิชัยน้าปัจจุบันไม่กี่ปียุ่สงครามโลกครั้งที่สองมาถึงพวกเรา ไม่กี่ปีหกสิบเจ็ดสิบปีทำไมเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเยอะสภาพสภาวะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกหรือเป็นเรื่องธรรมมันเปลี่ยนแปลงขนาดต่อไปอีกนะครับพี่อีกถ้าคนไม่กำเนึงถึงเสร็มันถึงต้อเห็นไหมแตากกันเมื่อตอนนี้อยู่ดีๆแตกกันเป็นหมื่นข้ากับนายข้ากับมาอยู่ดีๆตายกันเป็นหมื่น ตายโดนไม่ต้องมีความดีอะไรเลยหากัดตนายธรรมดาอยู่ดีๆก็ไม่มีอะไรทําก็คิดค้นขึ้นมาอาวุอยู่ตโธปกรณ์คิดว่าโอ้ตัวเองสมองดีที่คิดว่าเดียวคือมันเอามาทําร้ายทําลายกันมันดีได้ยังไงตายทีเป็นพันเป็นร้อยโยนบุ้มก็ไปทีตายเป็นพันเป็นร้อยแล้วจะที่มันดีได้ยังไง แล้วสมองดีได้ไงคนสมองดีคือต้องไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันนะคนสมองดีนั่นสมองไม่ดีเพราะอันนี้คือเป็นสาระที่เราเห็นทุกวันก็เป็นเครื่องเตือนสติให้พวกเราทั้งหลายว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตของพวกเรา ชีวิตจะดำเนินไปไหนไปทิศทางใดเราเป็นผู้ของหนดอเองนะชะตาการรมมาได้รู้กำหนดเองนะได้สูงไปต่ำจะ เ, ำเลือดําเลือดขาวได้ทั้งหมดแต่ขอให้เลือกแต่ขอให้รู้ว่าตอนนี้มันดําอยู่นะตอนนี้มันขาวนะ <S <S นันะ่มันดีนะนั่นไม่ดีนะเราจะได้เข้าใจการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ซึ่งมันมีอยู่น้อยมากๆ อยากคนพูดแล้วก็ป้าเข้าไปเพิ่มคอนเข้ามาแล้วเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าหมดไปนี่นจะเกิดอะไรขึ้นเราจะหันไปทางไหนถ้าเราไปเดินโดนคนไปแสวงหาตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆใ น, นวันพระสุดท้ายป้าให้พวกเราเพือเป็นอนุสติคือคื อ, อนึกถึงคุณความดีของเราจะได้เกิดมา ดีแล้วก็จะได้ไปดีคือสุขโตขอธรรมนารายได้องของสุขกเจะเดินเราจะลืมอย่าประมาทในวัยในชีวิตในเพราะมันจึงสินกับธรรมเนี่ยเป็นต้องต้องยึดเป็นหลักในชีวิตอื่นมันก็แค่นั้นจะสร่าง่านไม่มีอะไรมันคงเพียงแท้ตาวากขอธรรมนาความดีที่เพเราทั้งหาได้ร่วมทากันมาตลอดระยะเวลา หนึ่งปีคือวันพระที่ผ่านมาทาัท้งปีอาจจะมาได้บ้างมาได้บ้างด้วยเหตุปัจจัยเอตและผลแต่และคนไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรที่พยายามทําให้ดูแล้วว่าวันไหนที่เรามาวันไปได้สมาทานที่เองน้อยอยู่ที่บ้านแล้วก็สมาทานอย่างนี้คือไหวพระแต่เราสมาทานศีลเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันทำเช่นอะไรอย่า ง, งใดเลยแยกวันไหนวันพระ ไปวัดไม่ได้วันนี้ก็ไม่ต้องมีศีลละไม่ต้องรับศีนลนี่งคิดผิดเสียดายโอกาสเสียเวลาเราพลาดโอกาสพลาดเวลาอันนั้นไปไม่รู้กี่วันไม่รู้กี่ศีลมันรู้กี่ดเดือนแล้วเพราะฉนั้นแต่นี่เป็นต้นไปคือคิดใหม่อยู่ที่บ้านทําได้ก็ทําหมือนนี้เออไปพระไปสมถาน ต, ตั้งใจคือเจตนาวรัตงดเอาได้เหมือนกันอันนี้คือความดีที่เราตาม อ, อ, อ, อ, อ, อ, องระบบก็ขอสมถตนขอความดีอันนี้ จะเป็นพลพนพรประปัจจัยปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลกายวาจานในกรแก้ไขของตัวเองและอันสงให้การกระทํำของพวกเราทั้งหมดนี้ต้องถือแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายผู้อิป ผ, ผลทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทํามาเป็นตลอดระยะเวลาปาีปีป harma พรทานหลยานั้นจงรู้รักษาอนุตนาความดีที่พวกเราทำในนี้